ชีวิตของพวกเรามีสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเราตลอดเวลาสิ่งนั้นก็คือเวลาเวลาที่เรามีความเกี่ยวข้องด้วยนี้ก็แบ่งไว้สามตอนด้วยกันคืออดีตปัจจุบัน และอนาคตการกระทาของเราต่างๆในอดีตเป็นเหตุที่ทำให้ผลต่างๆเกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันและการกระทาต่างๆของเราในปัจจุบันก็จะเป็นเหตุ ที่จะทำให้ผลต่างๆเกิดขึ้นกับเราในอนาคตการกระทำของเราในอดีตนั้นผ่านไปแล้วเราไม่สามารถที่จะไปลบไปเปลี่ยนได้มีแต่เราจะต้องรอรับผลของการกระทำของเราในอดีตที่ผ่านมา อดีตนี้ก็นับตั้งแต่วินาทีที่ผ่านไปนี้ก็ถือว่าเป็นอดีตแล้วเราพูดอะไรปั๊บมันก็เป็นอดีตไปแล้วผลที่จะตามมาก็จะเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือในอนาคตที่กำลังก้าวเข้ามาทุกวิละทุกวินาที เพราะว่าเวลานี้มันไม่ได้อยู่นิ่งมันไหลไปอย่างต่อเนื่องจากอดีตก็มาสู่ปัจจุบันจากปัจจุบันก็ไปสู่อนาคตมันไหลของมันไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้เป็นปัจจุบันพอเราลุกขึ้นไป การนั่งอยู่ที่นี่ก็เป็นอดีตไปแล้วการการลุกจากที่นี่ไปก็ไปสู่อนาคตไปสู่อีกที่หนึ่งนี่คือเรื่องของเวลาและการกระทาของเราในช่วงเวลาต่างๆการกระทาของเราในปัจจุบัน ก็จะเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลต่างๆขึ้นมาในอนาคตเราจึงสามารถกำหนดอนาคตของเราได้แต่เราไม่สามารถที่จะกำหนดผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้เพราะผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เกิดจากเหตุที่เรา ทำในอดีตดังนั้นเวลาเกิดผลต่างๆขึ้นมาในปัจจุบันเราก็ต้องรับผลมันไปเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่พอใจกับผลที่เราได้รับในปัจจุบันเราอยากจะได้ให้มีผลที่ดีกว่าในอนาคต เราก็สามารถเปลี่ยนมันได้ด้วยการกระทําของเราในปัจจุบันศึกษาถึงเหตุที่จะทําให้ผลที่เราปรารถนานั้นปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็กระทําเหตุนั้นๆต่อไปผลที่เราปรารถนาก็จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับ ตามการปฏิบัติของเราตามการกระทำของเราถ้าเราไม่พอใจกับการที่จะต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเราก็ต้องศึกษาหาวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเราไม่สามารถที่จะลบล้าง ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือความแก่ความเจ็บความตายได้แต่เราสามารถที่จะลบล้างผลที่จะเกิดขึ้นภายในในอนาคตได้คือเราสามารถทำให้ไม่มีการเกิดการแก่การเจ็บการตายได้ถ้าเรารู้จักวิธี ถ้าเรากระทำวิธีนั้นไปผลก็จะต้องเป็นไปตามเหตุอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าเราอยากที่จะไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอกเราก็ต้องเข้าหาพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่รู้จากวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป แล้วเมื่อเรารู้จักวิธีแล้วแล้วเรานำอามาปฏิบัติผลก็จะเป็นตามที่เราปรารถนากันเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปดังนั้นอนาคตของเรานี่อยู่ในกรรมมือของเราเราเป็นผู้ลิขิตอนาคตของเราเรียกว่ากรรมลิขิต กรรมก็คือการกระทาของเราจะเป็นผู้ที่ลิกิตอนาคตของเราว่าจะเป็นอย่างไรจะไปสูงหรือไปต่ำจะหยุดหรือจะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอยู่ที่การกระทาของเราในปัจจุบันนี้และการปฏิบัติของเราจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ก็เกิดจากการศึกษาในปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องอนาคตเราก็จะไม่สามารถปฏิบัติวิธีที่ถูกต้องได้ดังนั้นในขั้นแรกในปัจจุบันนี้ที่เราเริ่มต้นเราก็ต้องเริ่มต้นที่การศึกษา การศึกษาวิธีที่จะหยุดการเกิดแก่เจ็บตายการศึกษาที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานที่เป็นการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดว่าทำอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติวันธรรมสวรรขึ้นมาให้ผู้ที่ยังไม่รู้จักวิธี การยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักวิธีบรรลุถึงมรรคผลนิพพานให้ได้มาศึกษาวิธีวันพระจึงเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะหยุดทำภารกิจการงานต่างๆเพื่อที่จะได้มาวัดมาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะในสมัยในอดีตนั้นการศึกษาพระธรรมคำสอนจำเป็นที่จะต้องมาที่วัดมาฟังเทศฟังธรรมจากพระภิกษุมาฟังจากพระผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ได้ยุติการเกิดแก่เจ็บตายแล้วแต่ในสมัยปัจจุบันนี้ เรามีสื่อต่างๆที่ทำให้เราไม่ต้องมาวัดก็ได้ถ้าเราอยากจะศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราสามารถศึกษาได้จากสื่อต่างๆเช่นหนังสื อ, อหรือเครื่องบันทึกเสียงต่างๆหรือเครื่องบันทึกภาพหน้าเสียงต่างๆในปัจจุบันนี้เราจึงมีโอกาสดีกว่า คนในสมัยในอดีตที่ต้องรอวันหยุดการทำงานเพื่อที่จะได้ไปฟังเทศฟังธรรมในสมัยปัจจุบันนี้เราสามารถฟังเทศฟังธรรมได้ทุกวันทุกเวลาตามความต้องการของเราแต่การศึกษานั้นเพียงอย่างเดียวก็ยัง ไม่พอเพียงต่อที่จะทำให้การยุติการเกิดแก่เจ็บตายปรากฏขึ้นมาได้เพราะเมื่อศึกษาแล้วก็จำเป็นจะต้องนำเอาวิธีการปฏิบัติที่ได้ศึกษานี้ไปปฏิบัติเลยเพราะการปฏิบัตินี้จะเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลต่างๆขึ้นมา ดังนั้นในเบื้องต้นในปัจจุบันนี้เราก็มาศึกษาคาสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเรายุติการเกิดแก่เจ็บตายที่สอนให้พวกเราบรลรุมรรคผลนิพพานด้วยการทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาที่มีการเจริญสติ ต่อด้วยผลคือสมาธิหรือสมถะภาวนาและต่อด้วยวิปัสสนาภาวนาหรือปัญญาถ้ามีการทำทานการรักษาศีลการเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาแล้วผลก็คือ มกสีผลสีนิพานหนึ่งก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับตามขั้นตามตอนตามเหตุตามผลถ้าเราทำทานในวันนี้ในอนาคตเราก็จะสามารถรักษาศีลได้ถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะภาวนาได้ อขั้นต้นเราก็จะรักษาศีน่าเมื่อเรารักษาสีน่าได้เราก็จะสามารถรักษาศีน่าต่อไปได้เมื่อเรารักษาศีน่าได้เราก็จะไปปรกวิเวกได้ไปเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาได้อเมื่อเรามีสมาธิแล้วเราก็จะสามารถเจริญปัญญาได้ ถ้าเมื่อเรามีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้เป็นเหตุเป็นผลที่ต่อเนื่องกันปัจจุบันทําทานก็จะนําไปสู่อนาคตคือการรักษาศีลห้าจากการรักษาศีลห้าก็จะพาไปสู่อนาคตของการรักษาศีลแปด จากการรักษาสิ้นแปะ ก, ก็จะนำพาไปสู่อนาคตของการเจริญสติของการปีกวิเวกเพื่อไปเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วจากการมีสมาธิก็จะนำไปสู่การเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นเหตุที่ทำให้การเวียนว่ายตายเกิดเกิดขึ้นมาและเพื่อที่จะได้ละเหตุนั้นได้ ด้วยปัญญาเมื่อละได้ก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานตามลำดับเมื่อถึงพันนิพพานก็จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายต่อไปดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับอนาคตของพวกเรา ก็คือการกระทาในปัจจุบันการกระทาในอดีตนั้นเราไม่สามารถกลับไปทำได้แล้วกลับไปเปลี่ยนได้แล้วตอนนี้เราเป็นอะไรขณะนี้เราทำอะไรได้มากน้อยเพียงไรก็เป็นผลที่เกิดจากการกระทาของเราในอดีตบางคนก็สามารถทำทานได้รักษาศีลห้าได้ บางคนก็รักษาศีลแปดได้บางคนก็เปรีกวิเวกได้ออกไปปฏิบัติอยู่ตามที่สงบสงัดสามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องสามารถนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ทำใจให้รวมเป็นหนึ่งได้บางท่านก็สามารถที่จะ จเจริญปัญญาได้พิจารณาไตรลักษณ์ได้พิจารณ า, าอาริยสัจ ส, สี่ได้ละสังโยชน์ต่างๆที่เป็นเครื่องฝูกมัดใจให้ติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายได้แต่ละท่านนี้มีความสามารถแตกต่างกันเพราะในอดีตนั้นได้มีการกระทำที่แตกต่างกันนั่นเอง บางท่านในอดีตทําได้แต่ทานพอมาเกิดพอมาไปในปัจจุบันก็สามารถที่จะรักษาศีลทาทานและรักษาศีลควบคู่กันไปได้ท่านที่ได้ทําทานรักษาศีลห้ามาแล้วในปัจจุบันก็จะสามารถรักษาศีลแปดได้ทําทานได้รักษาศีลแปดได้ท่านที่ได้ทําทานรักษาศีล ถ้ารักษาศีลแปดมาแล้วก็จะภาวนาได้จะไปปีกวิเวกได้ไปอยู่ที่สงบสงัดห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะ ท, ที่คอยยั่วยวนกวนใจทำให้ไม่สามารถทำใจให้มีสติอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้พอออกไปอยู่ที่สถานที่สงบสงัดวิเวก จเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องก็สามารถทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้บางท่านเคยทำมาแล้วในอดีตพอมาในปัจจุบันก็สามารถออกบวชได้สามารถจเจริญปัญญาได้พอฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดความเข้าอกเข้าใจ มีดวงตาเห็นธรรมปรากฏขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วสามารถตัดสังโยชน์ต่างๆที่ผูกมัดจิตใจให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เกิดจากเหตุที่ทำในอนาคตจึงทำให้พวกเหล่านี้มีความรู้มีความสามารถที่ ต่างกันไปแต่ไม่ว่าเราจะอยู่ในขั้นไหนตอนนี้เรามีโอกาสแล้วเราเป็นมนุษย์เราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแล้วเราสามารถทำภารกิจนี้ต่อไปได้แล้วถ้าเรายังไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เช่นยังเป็นเทวดาอยู่เราก็ยังจะเพลิดเพลินอยู่กับความสุขของเทวดา หรือถ้าเรายังไปใช้กรรมในอบายไปเป็นเปรตไปเป็นเดรัจฉานหรือตกอยู่ในนรกเราก็ยังจะไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติงานที่จะตัดภพตัดชาติได้อย่างพระเทวทัตที่ได้ทำบาปอย่างรุนแรงนี้ก็ตายไปก็ต้องไปตกอยู่ในนรกก่อน จนกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะได้มาทำภารกิจของการตัดภพตัดชาติต่อไปเพราะท่านได้ทำมามากแล้วท่านได้บวชแล้วท่านมีสมาธิแล้วเองแต่ว่าท่านตอนนี้ไม่มีโอกาสได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถูกจองจำอยู่ในนรกแต่พอท่านได้ใช้กรรมหมดแล้ว พอได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วท่านก็จะสามารถบําเพ็ญต่อไปและได้ตัดสู้เป็นพระปฏิเจกศพระพุทธเจ้าต่อไปนี่คือเรื่องของอดีตปัจจุบันและอนาคตสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือปัจจุบันคือการกระทําในปัจจุบันตอนนี้เราสามารถ ทำได้แล้วทำภารกิจที่จะตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วเรามีทักเรามีผู้สอนมีทางเดินแล้วและเราก็ได้ทำบุญในอดีตมาพอสมควรแล้วสามารถทำให้เราเข้ามาถึงพระพุทธศาสนาได้ ถ้ามาถึงการทำทานถึงการรักษาศีลถึงการภาวนาได้แล้วเรามีโอกาสแล้วที่จะทำต่อไปได้แล้วอยู่ที่เราว่าเราจะทำหรือไม่ถ้าเราทำอนาคตมันก็จะต้องเป็นผลตามที่เราต้องการอย่างแน่นอน ตอนนี้เราอยู่ในระดับไหนเราก็ทำของเราต่อไปเพื่อที่เราจะได้ก้าวขึ้นสู่ระดับที่สูงต่อไปถ้าเรายังอยู่ในขั้นทำทานเราก็ทำทานต่อไปถ้าเรายังรักษาศีลห้าไม่ได้เริ่มเราก็ต้องเริ่มพยายามรักษาศีลห้าไปแล้วอนาคตเราก็จะรักษาศีลห้าได้ ถ้าเรารักษาศีลห้าได้เรายัางรักษาศีลแปดไม่ได้เราก็ต้องเริ่มต้นรักษาศีลแปดกันไปแล้วต่อไปอนาคตเราก็จะรักษาศีลแปดได้ถ้าเราปลีกวิเวทยังไม่ได้ตอนนี้เราก็มาพยายามหาเวลาปลีกวิเวกันเพื่อมาเจริญสติกันเพื่อที่เราจะได้นั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ ถ้าเรายังไม่มีปัญญาเราก็ต้องพยายามหัดสร้างปัญญาขึ้นมาการสร้างปัญญาก็สร้างจากการฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆสลับกับการทำสมาธิทำใจให้สงบแล้วขั้นต่อไปปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระสาวกก็จะ กลายเป็นปัญญาของเราแล้วก็จะเป็นปัญญาที่จะสามารถตัดภพตัดชาติยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ทั้งหมดนี้อยู่ในปัจจุบันเท่านั้นการกระทำทั้งหมดนี้อยู่ในปัจจุบันเรายังไม่มีขั้นไหนส่วนไหนเราก็ต้องพยายามทำให้เกิดขึ้นมาให้ได้ถ้าเราทำวันนี้ วันพรุ่งนี้มันก็จะง่ายขึ้นไปตามลำดับถ้าเราไม่ทำมันก็ยังจะอยู่ที่จุดเดิมอยู่ถ้าเราทำทานได้แต่รักษาศีลไม่ได้แล้วเราก็ทำแต่ทานอย่างเดียวไม่ยอมรักษาศีลเลยพรุ่งนี้มันก็จะเป็นเหมือนวันนี้แต่ถ้าวันนี้เราพยายามรักษาศีลไป ตรุงนี้การรักษาศีลก็จะง่ายกว่าวันนี้แล้วถ้าเราพยายามรักษาไปเรื่อยๆรักษาให้มากทำให้บ่อยต่อไปมันก็จะง่ายต่อไปมันก็จะกลายเป็นนิสัยไปแล้วเราก็จะได้ก้าวขึ้นสู่การปฏิบัติขั้นที่สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอยากทำทางก็ เข้าสู่ศีลห้าจากศีลห้าก็เข้าสู่ศีลแปดจากศีลแปดก็ออกปีกวิเวกไปอยู่ตามสถานที่สงบห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆห่างไกลจากสิ่งที่จะดึงใจของเราให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดก็อยู่ตามป่าตามเขาตามวัดป่าตามวัดเขา เพื่อที่เราจะได้เจริญสติอย่างต่อเนื่องเมื่อเราสามารถเจริญสติได้ต่อเนื่องเราก็จะสามารถนั่งสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้รวมเป็นหนึ่งได้ให้สักแต่วรู้ให้เป็นอุเบกขาได้ถ้าเราใจของเรามีสมาธิมีสักแต่วรู้รวมเป็นหนึ่งแล้วเราก็จะมีกำลังที่จะ ไชปัญญาพิจารณาทางปัญญาได้คิดไปในทางอนิจจ์ทุกขังอนัตตาได้คิดไปในทางอริยาาสัจสี่ได้เราก็จะเห็นชัดว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราการเกิดของเราก็เกิดจากความอยากของเราถ้าเราเห็นอย่างชัดเจนแล้วเราก็จะสามารถ หยุดความอยากต่างๆได้เพราะเราไม่อยากจะทุกนั่นเองเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกแล้วอันนี้จะเกิดขึ้นถ้าเรามีการกระทาในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเพราะปัจจุบันของเรานี้มันก็เคลื่อนไปเรื่อยๆพรุ่งนี้มันก็จะเป็นปัจจุบันเหมือนกับวันนี้ที่เมื่อวานนี้เป็น เป็นพรุ่งนี้พอเวลามันผ่านมันก็นำวันพรุ่งนี้มาสู่วันนี้เาั้นวันของเราจริงๆแนละ้วก็ก็คือวันปัจจุบันนี้เราจะอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาอาดีตนี้เป็นสิ่งที่เราเราเรามองด้วยความจำเช่นเมื่อวานนี้เราทำอะไรบ้าง เราใช้ความจำมองไปส่วนอนาคตเราก็ใช้การจินตนาการของเราจินตนาการไปว่าพรุ่งนี้เราจะไปที่นั่นเราจะไปที่นี่มันเป็นจินตนาการแต่การกระทำของเรานั้นจะต้องทำในปัจจุบันนี้เสมอเช่นพรุ่งนี้เราจะไปทำงานกันพอถึงเวลาพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันก็จะกลายเป็นปัจจุบัน เวลาไปทํางานมันก็จะเป็นเวลาปัจจุบันดนันการกระทําของเราต่างๆนี้มันจะทําอยู่แต่ในปัจจุบันเสมอและผลที่เราได้รับความจริงมันก็เกิดในปัจจุบันเหมือนกันเพราะปัจจุบันนี้มันไหลไปเรื่อยๆมันมันไม่อยู่กับที่เช่นตอนนี้ปัจจุบันเป็นเวลาเท่าไหร่สองโมงกว่า พอหนึ่งวินาทีผ่านไปปัจจุบันมันก็เปลี่ยนเป็นสองวิสองชั่วโมงกว่าผ่านบวกหนึ่งวินาทีมันก็จะบวกไปเรื่อยๆปัจจุบันมันก็จะอยู่กับเราเสมออาณาอาดีตกับอนาคตมันไม่เคยอยู่กับเราอาดีตมันก็ผ่านไปแล้วอนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงมีแต่ปัจจุบันเท่านั้นที่อยู่กับเรา ถ้าเรามีสติเราก็จะอยู่ในปัจจุบันแล้วเราก็จะสามารถทำสิ่งต่างๆที่เราต้องทำต้องการจะทำได้ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะไม่อยู่ในปัจจุบันเช่นตอนนี้ถ้าเรานอนหลับก็เหมือนกับว่าเราไม่มีสติเวลาที่เรานอนหลับเราก็จะไม่ได้ทำสิ่งต่างๆในปัจจุบันได้ หรือเวลาที่เราดื่มสุราดื่มโซราจนมึนเมาเราก็จะไม่อยู่ในปัจจุบันเราก็จะอยู่ในความเคริมฝันอยู่ในอยู่ในความมึนเมาเราก็จะไม่สามารถทำสิ่งที่เราต้องการจะทำในปัจจุบันได้การที่เราจะทำอะไรในปัจจุบันได้เราต้องมีสติสติจึงเป็น หัวหอกสำคัญของการปฏิบัติของการกระทาต่างๆไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลติกวิเวกเจริญสตินั่งสมาธิจเจริญปัญญาจำเป็นจะต้องมีสติใจจะต้องรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาถึงรู้ว่าตอนนี้ตนกำลังอยู่ในปัจจุบัน เวลานอนหลับเราจะไม่รู้ว่าเราอยู่ในปัจจุบันเวลาเราดื่มสุรายาเมาจนมึนเมาเราก็จะไม่รู้ว่าเราอยู่ในปัจจุบันหรือเวลาที่เราเสียสติเราก็จะไม่รู้ว่าเราอยู่ในปัจจุบันหรือเรากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันคนเสียสติคนเมาสุราคนนอนหลับนี้จะไม่รู้สึกตัวว่าตอนเองกำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบัน เห็นการที่จะทำอะไรในปัจจุบันได้จะต้องมีสติถ้าเรามีสติเราจะรู้ว่าตอนนี้เรากําลังทำอะไรอยู่เรากําลังนั่งฟังเทศฟังธรรมอยู่หรือว่าเราเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเรานั่งคิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แสดงว่าเราไม่มีสติอยู่กับการฟังการฟังของเราจะฟังไม่เข้าใจจะฟังไม่รู้เรื่อง เพราใจของเราไม่ได้ตั้งใจฟังใจของเราไปคิดเรื่องต่างๆการฟังธรรมก็จะไม่ได้เกิดผลขึ้นมาคือจะไม่ได้เกิดความเข้าใจจะไม่สามารถกำจัดความสงสัยต่างๆไปได้จะไม่สามารถทำใจให้สงบผ่องใสได้ถ้ามีสติจดจอ่อฟัง อยู่ตลอดเวลาไม่ขาดตอนก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิสามารถกำจัดความสงสัยต่างๆไปได้สามารถทำใจให้สงบให้ผ่องใสได้นี่เป็นผลที่จะเกิดจากการมีสติในการกระทําต่างๆ ถ้าเรามีสติเราก็จะได้รู้ว่าเราทำทานหรือเปล่าเรารักษาศีลห้ารักษาศีลแปดหรือเปล่าเราจเจริญสติอยู่หรือเปล่าบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่หรือเปล่าเรานั่งสมาธิแล้วใจของเราสงบหรือเปล่าเราพิจารณาปัญญาแล้วเราเห็นตามที่เราพิจารณาหรือเปล่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ในสิ่งต่างๆหรือเปล่าเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากภายในใจของเราหรือเปล่าเห็นการดับของความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ทำตามความอยากของเราหรือเปล่านี่คือสติจะทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆทั้งหมดไม่ได้ดังนั้นเราจึงต้องพยายามรักษาสติไว้ให้มาก เวลานอนก็พยายามนอนให้น้อยอย่านอนให้มากเกินไปนอนให้พอกับความต้องการของร่างกายก็พอแต่อย่าไปนอนตามความความอยากความอยากนอนนี้เป็นตัญหาเป็นกิเลสจะทําให้เราเสียสติเสียเวลากับการสร้างเหตุ กับการที่จะกระทำในสิ่งที่จะมาตัดภพตัดชาติมายุติการเวียนว่ายตายเกิดเราจึงควรนอนเท่าที่จาเป็นเท่านั้นเองนอนพอกับความต้องการของร่างกายซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนพระภิกษุให้นอนคืนละสี่ชั่วโมงก็พอเช่นในยามแรกคือตั้งแต่ หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มสอนให้เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาตามความสามารถของแต่ละคนถ้าสามารถเดินจงกรมเจริญสติได้ก็เจริญสติไปสามารถนั่งสมาธิทำใจให้รวมเป็นหนึ่งได้ก็นั่งสมาธิไปสามารถ ออกพิจารณาทางปัญญาได้ก็ให้ออกพิจารณาทางปัญญาไปพอถึงประมาณสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มตามแต่ความเหมาะสมของแต่และคนบางคนก็พักตอนสี่ทุ่มบางคนก็พักตอนห้าทุ่มถ้าพักตอนสี่ทุ่มก็พักสี่ชั่วโมงก็ตื่นขึ้นมาก็ประมาณตีสอง ถ้าพักห้าทุ่มก็ตื่นขึ้นมาประมาณตีสามพอตื่นขึ้นมาก็ล้างหน้าล้างตาเพื่อคลายความง่วงเหงาหานอนแล้วก็ออกมาเจริญสติสมาธิปัญญาต่อไปจนถึงเวลาหกโมงเช้าโดยประมาณเป็นเวลาที่ออกบินตะบานก็ให้ออกบินตะบานด้วยสติทำอะไรให้มีสติ อยู่ทุกเวลานาทีเพื่อที่จะได้รู้ว่าไม่ไปกระทำในสิ่งที่จะสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาแต่จะกระทำในสิ่งที่จะตัดภพตัดชาติอยู่เรื่อยๆการกระทำอะไรที่ทำให้เกิดภพชาติขึ้นมาสร้างภพสร้างชาติขึ้นมาก็คือการกระทำตา ม, ตามความอยากต่างๆนั่นเองผู้ที่ต้องการที่จะตัดภพตัดชาตินี้จะต้องมีสติคอย ดูอยู่ตลอดเวลาว่ากาลังกระทาไปเพื่อสร้างพบสร้างชาติหรือเพื่อตัดพบตัดชาติการบินทบาดก็ต้องบินทบาดด้วยความสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้ไม่ให้เกิดความอยากในอาหารต่างๆที่ได้พบได้เห็นในขณะได้เดินบินทบาทให้ยินดีตามมีตามเกิด ได้อะไรมาก็รับเอาไว้ตามแต่ศรัท ธ, ธาจะใส่ให้พอกลับมาที่ศาลาที่ขบฉันก็ให้ยินดีกับอาหารที่ได้รับแล้วก็เอาใส่ไปในบาตรเวลารับประทานก็รับประทานด้วยสติคอยควบคุมความอยากไว้ถ้าอยากจะรับประทาน อาหารชนิดใดก็ต้องฝืนอย่าไปรับประทานให้รับประทานอาหารตามความจำเป็นตามความต้องการของร่างกายเหมือนกับการรับประทานยาเวลารับประทานยานี้เราไม่มักจะไม่รับประทานด้วยความอยากแต่เรารับประทานเพราะความจำเป็นเพราะเราไม่สบายหมอให้ยามาเราก็รับประทานยาที่หมอให้มา ก็อาหารที่เราได้จากบินธบายก็เป็นเหมือนยาที่สัตยาญาติโยมให้มาให้มารับประทานก็รับประทานไปตามมีตามเกิดรับประทานด้วยการมีสติไม่ให้รับประทานมากจนเกินไปเกินความต้องการของร่างกายเพราะถ้าเจออาหารที่ถูกปากอ ร, อร่อยก็จะรับประทานตามความอยาก ก็บางทีก็ต้องบังคับต้องฝืนอย่าไปรับประทานอาหารที่ถูกปากถูกใจเพราะมันจะเป็นการเสริมสร้างความอยากให้มีกำลังมากขึ้นเป็นการสร้างภบสร้างชาติไม่ใช่เป็นการตัดภบตัดชาติต้องฝืนความอยากเวลาที่รับประทานอาหารเมื่อรับประทานอาหารเสร็จก็ เอาบาสไปล้างช่วยกันทำความสาะอาดสาราทำภารกิจอะไรต่างๆที่จำเป็นด้วยสติไม่คุยกันไม่มีส่งจิตไปที่อื่นให้จิตอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่หรือให้บริการพุทโธพุทธูพุทโธกำกับใครกับการทำงานเพื่อจะได้ไม่คิดไปในเรื่องราวต่างๆที่จะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาได้ ต้องคอยควบคุมใจด้วยสติอยู่ตลอดเวลาควบคุมใจให้อยู่ในปัจจุบันอย่าปล่อยให้ใจไปในอดีตที่ผ่านมาแล้วคิดไปถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วหรือไปคิดไปถึงอนาคตที่ยังไม่ปรากฏขึ้นให้คิดอยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือให้เฝ้าดูเฉยๆหรือให้บริกรรมพุทโธไปเพื่อจะได้ รักษาสติไว้อย่างต่อเนื่องให้จิตตั้งอยู่แต่ในปัจจุบันเพื่อจะได้รู้ว่ากำลังทำภารกิจที่จัดพบจัดชาติหรือเปล่านี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงสอนพระภิกษุให้บําเพ็ญไม่ให้เสียเวลากับการหลับนอนมากจนเกินไปวิธีที่จะไม่นอนมากก็ต้องนอนบนพื้นแข็ง อย่าไปนอนบนเบาะนิ่มๆห น, นาๆเพราะมันจะสุขจะสบายแล้วมันก็จะทําให้เกิดตันหาติดความสุขแต่เป็นความสุขของการเกิดแก่เจ็บตายเป็นความสุขที่จะมีความทุกข์ตามมาต่อไปเวลาที่ร่างกายแก่ลงไปเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยต่อให้นอนบนผูกหนาๆขนาดไหน มันก็จะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นต้องอย่าไปนอนมากเกินความจําเป็นนอนเท่าที่จําเป็นก็พอเพื่อที่จะได้มีเวลามาบําเพ็ญมาปฏิบัติกิจที่จะเป็นไปเพื่อการยุติการเวียนว่ายตายเกิดยุติการเกิดแก่เจ็บตาย นี่คือเรื่องของปัจจุบันธรรมเนี่ยผู้ปฏิบัติจะต้องถือหลักปัจจุบันธรรมนี้เป็นหลักเสมอเพราะปัจจุบันเท่านั้นที่เราสามารถทำอะไรต่างๆได้อดีตอนาคตนี้เราทำไม่ได้อดีตมันผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงถ้าเราปล่อยใจให้ไปล้ำลึกถึงอดีตก็จะไม่เป็นการเพียงแต่ลํำลึกไปท่นั้นคิดไปเท่านั้น จาไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอดีตได้ถ้าเราคิดไปถึงอนาคตเราก็ไม่สามารถไปทำอะไรในอนาคตได้เราอยู่ในปัจจุบันเราทำได้แต่ในขณะที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นอนาคตจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่การกระทาของเราในปัจจุบันนี้เท่านั้นถ้าเราต้องการ ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็ต้องทำทานรักษาศีลภาวนาในปัจจุบันนี้เท่านั้นนะแล้วอนาคตมันก็จะไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายเช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านก็ทำปัจจุบันท่านภาวนาในปัจจุบันรักษาศีลในปัจจุบันทำทานในปัจจุบัน พอทาแล้วผลก็คือการไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็เป็นผลที่ปรากฏขึ้นในอนาคตดังนั้นขอให้เราเฝ้าดูให้อยู่ในปัจจุบันเสมอพยายามดึงจิตดึงใจของเราให้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็ดูว่าในปัจจุบันนี้เรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังสร้างพบสร้างชาติ หรือเรากำลังตัดทบตัดชาติถ้าเรากำลังทำตามความอยากทำตามกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสปวดตับพระทำตามภวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่แล้วก็กระทำตามความอยากนั้น เรียกว่าเรากำลังสร้างพบสร้างชาติต่อพบต่อชาติให้ยาวออกไปไม่ใช่ให้สั้นลงไม่ได้ตัดพบตัดชาติถ้าเราตัดพบตัดชาตินี้เวลาเราอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตเราก็ต้องหยุดเวลาเราอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่เราก็ต้องหยุดเป็นหยุดอยากอยาไปอยากเวลาเราอยากจะดูอยากจะฟังเราก็ต้องหยุดอยากไปทำ ถ้าจะทำอะไรอย่าทำตามความอยากทำตามความจำเป็นเช่นร่างกายขาดน้าต้องเติมน้าให้ร่างกายก็เติมไปร่างกายกาดอาหารก็เติมอาหารให้กับร่างกายไปแต่อย่าไปเติมตามความอยากเพิ่งดื่มน้ำเสร็จไปเมื่อกี้นี้เดี๋ยวอยากจะดื่มน้ำอีกแล้วแต่ไม่ใช่น้ำเปล่าๆน้ำที่มีกลิ่นมีสีมีรสนี่เรียกว่าเกิด ความอยากในกามขึ้นมาแล้วอยากในลูกเสียงกลิ่นรสผลภะแล้วถ้าทำตามความอยากก็เป็นการต่อพบต่อชาติไม่ใช่เป็นการตัดพบตัดชาติถ้าจะตัดพบตัดชาติเวลาเกิดความอยากเดิมน้ำที่มีสีมีมีกลิ่นมีรสต่างๆก็ต้องฝืนไม่เด่มถ้าจะเดิมเพื่อร่างกายก็เดิมแต่น้ำเปล่าเมื่อถึงเวลา ร่างกายต้องการอาหารก็เติมอาหารให้กับร่างกายถ้าร่างกายยังไม่ต้องการอาหารก็ไม่ควรจะรับประทานอาหารเช่นการเติมอาหารให้กับร่างกายตามแบบที่พระเจ้าได้ส่งปฏิบัติมาก็คือเติมให้วันละหนึ่งครั้งก็พอฉันมื้อเดียวนี่คือทุดงขวัตข้อวัดปฏิบัติของผู้ที่ต้องการที่จะตัดภพตัดชาติ ต้องรับประทานวันละมื้อก็พอรับประทานให้เต็มที่เติมให้เต็มเลยร่างกายต้องการเท่าไหร่ท้องมีปริมาณเท่าไหร่ใส่เข้าไปได้เท่าไหร่ใส่ไปให้พอเหมือนกับเติมน้ำมันรถเติมทีเดียวให้มันเต็มถังไปเลยแล้วจะได้ไม่ต้องคอยจอดแวะเติมอยู่บ่อยๆเติมหนเดียวแล้วก็ค่อยเติมอีกครั้งต่อเมื่อมันหมดแล้วการรับประทานมื้อหนึ่งนี้ก็พอเพียงกับการดำรงชีพไปได้ หนึ่งวันหนึ่งคืนคือยี่สิบสี่ชั่วโมงรับประทานวันนี้เวลานี้แล้วจะรับประทานอีกครัง้งต่อไปก็เป็นเวลาพรุ่งนี้เวลานี้เวลานี้แต่เป็นวันพรุ่งนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่คือการเติมอาหารให้กับร่างกายด้วยความจำเป็นที่จะต้องเติมตามความต้องการของร่างกายแต่ไม่ได้เติมอาหารด้วยความอยาก เช็นรับประทานอาหารไปได้ไม่ถึงชั่วโมงก็อยากกินขนมอยากจะดื่มเครื่องดื่มแล้วพอดื่มเครื่องดืม่มกินขนมไปไม่ถึงชั่วโมงก็รับประทานอีกมื้อหนึ่งแล้วมื้อเช้ารับประทานไปเดี๋ยวเดียวสี่ชั่วโมงก็มือ้อมื้อเที่ยงแล้วมื้อเที่ยงอีกห้าหกชั่วโมงก็มื้อเย็นอีกแล้วแล้วก่อนจะนอนก็ยังมีมื้อก่อนนอนอีกอันนี้เป็นการสร้างพบสร้างชาติ ก็เป็นการกระทําตามความอยากไม่ได้เป็นการตัดภพตัดชาติอนาคตก็จะต้องมีภพชาติตามมาอนาคตก็จะต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายตามมาอย่างไม่มีวันหมดสิ้นเพราะเราไปสร้างภพสร้างชาติด้วยการกระทําของเราในปัจจุบันนี้เอง ถ, ถ้าเราต้องการตัดภพตัดชาติต้องการยุติการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องไม่กระทําตามความอยากต่างๆ ไม่กระทาตามกามตันหาไม่กระทาตามภาวะตันหาและไม่กระทาตามวิภาวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่จนเราก็พยายามดิ้นรนพยายามทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อหนีความจนกันหนียังไงมันก็หนีไม่พน้นเพราะเวลาตายมันก็กลับมาเป็นคนจน เพราะเวลาตายก็เป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวเวลาตายไปก็ไม่มีทรัพสมบัติติดตัวไปงั้นอย่าไปหนีความจนหนีความอยากถ้ามันต้องจนก็อยู่กับความจนไปถ้าอยู่ได้ไม่เดือดร้อนก็ไม่เเป็นปัญหาอะไรพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่แบบคนจนพ้าอารันตาสาวโลกท่านก็อยู่แบบคนจนเพราะท่านไม่หนีความจน ท่านเดินก็หาความจนท่านไม่กลัวความจนยิงทำให้ท่านสามารถตัดความอยากไม่จนได้อยากไม่แก่ได้อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ถ้าพวกเราหนีเราก็จะสร้างพบสร้างชาติไปเรื่อยๆหนีจากภพนี้ไปก็ไปเจอภพหน้าใหม่หนีจากความแก่ความเจ็บความตายของภพนี้ไปก็ไปเกิดใหม่ ก็ไปเจอความแก่ความเจ็บความตายใหม่อยู่ดีถ้าไม่หนีอยู่เฉยๆทำใจให้เฉยๆเป็นอุบเบกขาร่างกายอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันตายไปใจก็ไม่มีความอยากใจก็ไม่สร้างภพสร้างชาติขึ้นมาตายไปใจก็ไม่ไปเกิดใหม่นี่คือปัจจุบันของพวกเราที่พวกเราควรจะ นดงใจให้รับรู้อยู่ทุกขณะทุกเวลาว่าปัจจุบันในขณะนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังทำตามความอยากหรือเรากำลังฝืนความอยากกันถ้าเราฝืนความอยากอนาคตของเราก็จะมีการสิ้นสุดของการเกิดแก่เก็บตายถ้าเราทำตามความอยากอนาคตของเราก็จะมีการเกิดแก่เก็บตาย ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดทั้งหมดนี้ก็อยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นอยู่ในขณะนี้เวลานี้อย่างตอนนี้พวกเราก็อยู่กันแบบไม่มีความอยากถ้ามีความอยากเราก็จะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้ถ้าเราอยากจะไปดื่มกาแฟเราก็ต้องลุกไปดื่มถ้าอยากจะไปสูบบุหรี่เราก็ต้องออกไปสูบบุหรี่ ถ้าเราอยากจะไปเดินเล่นเราก็ต้องลุกไปเดินเล่นเราก็จะไม่สามารถนั่งอยู่ตรงนี้ได้ไม่สามารถทำกิจที่จะเป็นต่อการยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็คือการศึกษาวิธีที่จะตัดภพตัดชาติยุติการเกิดแก่เจ็บตายได้นั่นเองนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะตั้งอยู่ อยู่ตลาดเวลาก็คือตั้งอยู่ในปัจจุบันให้ใจเราอยู่ในปัจจุบันถ้าเราอยู่ในปัจจุบันเราจะได้เห็นว่าเรากาลังทำอะไรอยู่เราก so, าลังทำกิจที่ตัดพบตัดชาติหรือ <yan> so, เรากาลังทำกิจที่ตอก่อพบก่อชาติถ้าเราไม่อยู่ในปัจจุบันเราจะไม่รู้สึกตัวถ้าเราคิดถึงอดีตคิดถึงวนาคในขณะที่ในปัจจุบันเรา กำลังทำตามความอยากเราก็จะไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเราอยู่ในปัจจุบันเราจะรู้สึกทันทีว่าเรากำลังทำตามความอยากหรือไม่ฉะนั้นอย่าปล่อยให้ใจลอยไปอดีตอย่าปล่อยให้ใจลอยไปในอนาคตดึงใจไว้ให้อยู่ในปัจจุบันด้วยการเจริญสติอย่างใดอย่างหนึ่งการบริกรรมพุทโธก็เป็นการเจริญสติอย่างหนึ่ง การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกายอย่างต่อเนื่องก็เป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งหรือการระลึกถึงความตายหรือการสวดมนต์ก็เป็นการเจริญสติวิธีไหนก็ได้ขอให้ดึงใจของเราให้หยุดลอยไปหาอดีตลอยไปหาอนาคตลอยไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับเรื่องเดียวที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน แล้วเราก็จะได้รู้ว่าการกระทำของเรานี้เป็นไปในทิศทางใดถ้าเป็นไปในทิศทางที่เกาะภพเก่อชาติเราก็หยุดมันได้ถ้าเป็นทางที่ไปเกาะไปไปสู่การยุติการเกิดแก่เจ็บตายเราก็ทำมันเพิ่มขึ้นไปให้มากขึ้นทำทางแล้วเราก็รักษาสีลรักษาสีลห้าแล้วเราก็รักษาศีนแปดรักษาศีลแปดแล้วเราก็กา 8, กา 8, เกปคกเว่ ไปเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับเวลาว่างก็นั่งสมาธิทําใจให้รวมเป็นหนึ่งถ้าใจรวมเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาแล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็เอาไปใช้เอาไปคิดในทางปัญญาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราคิดว่าความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา และความสุขที่ได้จากสิ่งที่ได้มาก็เป็นความสุขชั่วคราวพอสูญเสียความสิ่งที่ได้มาไปก็จะเกิดความทุกข์ตามมาอีกนี่คือปัญญาที่จะหยุดความอยากทั้งหมดได้ในที่สุดเมื่อหยุดความอยากได้หมดแล้วในปัจจุบันอนาคตจะเป็นอะไรอนาคตก็จะไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายตามมาอีกต่อไปเพราะปัจจุบันนี้จิต หยุดแล้วไม่มีการกระทำตามความอยากอีกแล้วไม่มีการสร้างเหตุให้มีอนาคตอีกต่อไปจิตของพระพุทธเจ้าและจิตของพระอาหารหันต์นี้จึงเป็นจิตปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาไม่มีอนาคตเพราะไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายมีแต่ความสงบมีแต่ระมังสุขขังมีแต่บรมังสุญอย่างความว่างของจิตใจ ว่างจากความอยากต่างๆนั่นเองก็นี่แหละคือเรื่องของเวลาที่เกี่ยวพันกับชีวิตของพวกเราอาดีตปัจจุบันและอนาคตเวลาที่สําคัญที่สุดของชีวิตของพวกเราก็คือปัจจุบันเพราะเป็นเวลาเดียวที่เราสามารถกําหนดอนาคตของเราได้เป็นเวลาเดียวที่เราสามารถกระทําอะไรได้ อดีตเราทำไม่ได้มันผ่านไปแล้วอนาคตเราก็ทำไม่ได้เพราะมันยังมาไม่ถึงเราทำได้แต่ปัจจุบันนละการกระทําของเราในปัจจุบันนี้แหละที่จะส่งผลให้อนาคตของเราเป็นอย่างไรดีไม่ดีก็อยู่การกระทําของเราในปัจจุบันนี้เองดังนั้นขอให้พวกเราพยายามดึงใจของเราให้อยู่ในปัจจุบันด้วยการเจริญสติ แล้วเราจะได้เห็นว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่กำลังทำสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือว่ากำลังจะทำสิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือทำให้ภพชาติหมดไปหรือทำให้ภพชาติมีเพิ่มมากขึ้นไปก็เกิดจากการกระทาของเราในปัจจุบันนี้เองจึงขอฝากเรื่องของเวลาทั้งสามส่วนนี้ คืออดีตปัจจุบันและอนาคตให้ท่านได้นำเอาไปเพิงสิ จ, จารณาและปฏิบัติเพื่อให้กับเกิดประโยชน์อันสูงสุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรินติสาคารัง เอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปกปติอิชิตังปัชิตังตุมหังคิดเป้เมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะราโสยธามณิโชติราโสยธาสพีตโยวิวัจ n ันโตสัพพโรโควินาสตุ มาเตพาวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภาอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังพาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงเวลาถามต่อปัญหาธรรม ท่านผู้ใดมีความสงสัยอยากจะถามปัญหาทำข้อใดขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนเพื่อผู้ฟังจะได้ยินทั้งคำถามและคำตอบเมื่อตอนที่เดินจงกรมอยู่ก็ว่าจะเปลี่ยนมานั่งสมาธิพอเปลี่ยนมานั่งสมาธิก็ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นนอนสมาธิเปลี่ยนจากนอนสมาธิมาเป็นเดินจงกรม ก็อยู่ในอียิปต์ไหนก็ไม่สะดวกในการปฏิบัติธรรมควรจะทำยังไงดีครับควรจะลดน้ำหนักคว ร, <laughs> <laughs> ควรกินข้าวให้น้อยๆลดสัก5้าหรือสิบกิโลก่อนแล้วก็จะเดินสะดวกนั่งสะดวกแต่อย่านอนสมาธิเพราะถ้านอนสมาธิมันจะนอนหลับมากกว่าตอนนี้ลองไปหัด ถือสิ้นแปดคือไม่กินข้าวเย็นก่อนนะอะกินแค่เที่ยงวันก็พอไม่ตายเพราะว่าเรามีอาหารสะสมอยู่ในร่างกายไว้มากไม่กินสักสิบวันก็ไม่ตายรับรองได้ดังนั้นถ้าอยากจะปฏิบัติทําได้ต้องถือศีลนแปดให้ได้ก่อนครนะต้องรู้จักอดต้องรู้จักหยุดการกินมากเกินไปการกินมากเกินไปจะทําให้เดินไม่สะดวกนั่งไม่สะดวก จะสะดวกท่านอนเพียงท่าเดียวนะมีอีกไหมมีมล้วขอขอขอเป็นปัญหานะอย่าอย่าเป็นการเทศให้ฟัง <laughs> ไม่ต้องไม่ต้องอารมณ์ผบทนะเข้าตัวปัญหาเลยคือเพื่ออาจารย์แคจากที่เวลาปฏิบัติถูกสอนมาว่าเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์ ห้ามมีความเวลาครูบาอาจารย์ดูห้ามขุนเครืองแม่กระทั่งดังบ่งทุเรีทีนี้เวลาอยู่กับครูบาอาจารย์บางครั้งมันเสียศูนย์นะคะแล้วเสียศูนย์แรงทีนี้ขณะที่เราเสียศูนย์แรงเนี่ยเราก็ต้องเจริญควบคุมสติของเราด้วยด้วยศรัทธาที่มีต่อครูบาอาจารย์แล้วก็มันหนักมากจงใช้ทั้งสติสมาธิแล้วก็ปัญญาคอยดึงเอาไว้ เพราะว่าถ้าดึงไม่อยู่เนี่ยหมายถึงว่านรกกับสวรรค์ทีนี้เนี่ยลักษณะที่ที่เหตุที่พูดเนี่ยมันเป็นการดึงเอาเออที่เรียกว่าพระห้ามาปฏิบัติจริงๆใช่ไหมเลิกขณะที่เรากำลังดึงสู้อยู่กับใช้ศรัทธาประคองประคองสติให้อยู่ตรงนี้เนี่ย เป็นลักษณะของทุกขสัตย์ใช่หรือเปล่าครัาบอาจารย์มันเป็นการทดสอบอารมณ์ของครูบาอาจารย์ว่าเรามีธรรมะ ม, มากน้อยเพียงไรถ้าเรามีความขุ่นมัวก็แสดงว่าธรรมเรายังมีน้อยเรายังปฏิบัติไม่ถึงขั้นที่ควรจะเป็นไปเราก็ควรที่จะเพิ่มการปฏิบัติของเราให้มากขึ้นเพื่อที่เวลาที่ครูบาอาจารย์ท่าน พูดตำหนิติเตียนเราจะเป็นอุเบกขาวางเฉยได้แสดงว่าเรายังขาดอุเบกขาขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาที่จะทำให้ใจเราเป็นอุเบกขาการอยู่กับูบาอจานี้เรื่องการมีความขุ่นมัวหรือเสีย อ, อกเสียใจที่เกิดจากการดูด่าว่ากก่าวของครูบาอาจารย์นี้เป็นการทดสอบจิตใจของเราเป็นการสอบอารมณ์อย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นการสอบอารมณ์แบบมาถามนู่นถามนี่แล้วตอบว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นการเป็นการมาเล่าเรื่องที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ไม่รู้เอับครูบาอาจารย์เขาต้องทดสอบเรื่องจริงต้องเหตุการณ์จริงเช่นมีลูกศิษย์คนหนึ่งไปเล่าให้ครูบาอาจารย์ฟังว่าตั้งแต่มาฟังเทศของหลวง พ่อหนงตาแล้วรู้สึกว่ากิเลสหายไปหมดเลยท่านก็ตอบว่าอีตอแหลอ่านั่นแหละคือการทดสอบอารมณ์กระจายมาการสอบอารมณ์นี่เขาจะไม่บอกไว้ล่วงหน้าก่อนว่าจะสอบอารมณ์นะถ้าเราบอกล่วงหน้าเราก็ตั้งการไว้รับแล้วเตรียมตัวรู้แล้วว่าท่านพูดอะไรท่านก็ไม่ได้หมายไม่ได้เอาจริงเอาจังแต่ถ้า ท่านท่านไม่บอกโรงหน้าท่านด่าเรานี่ท่านเราก็จะคิดว่าท่านด่าเราจริงๆแต่ความจริงครูบาอาจารย์ที่แท้จริงนี่ท่านท่านด่าด้วยกิริยาท่านไม่ได้ด่าด้วยจิตด้วยใจด้วยความมีอารมณ์กับการด่านั้นแต่การด่าเป็นการเป็นการทดสอบจิตใจหนึ่งเป็นการสั่งสอนถ้าได้ทำอะไรผิดพลาดไปจะได้แก้ไขได้ พูดง่ายๆก็คือการแสดงธรรมนั่นเองที่เรียกว่าสดสดร้อนร้อนโดยที่ผู้ฟังไม่รู้ว่ากำลังได้ฟังเทศฟังธรรมกำลังได้รับการทดสอบอารมณ์ว่าตัวเองนั้นมีธรรมอยู่ในระดับใดเพราะฉะนั้นเวลาเกิดอารมณ์ขุ่นมัวขึ้นมาก็ต้องรู้แล้วว่าอย่างน้อยที่สุดเราต้องไม่แสดงอาการออกมาทางกายทางวาจาเพราะต้องรู้ว่านี่เป็นการทดสอบ ของครูบาอาจารย์แล้วรู้ว่าตอนนี้เรายังไม่ทันกิเลสตัณหาเรามันยังเร็วกว่าธรรมของเราเราต้องกลับไปสร้างธรรมขึ้นมาใหม่ปฏิบัติให้มากขึ้นจเจริญสติให้มากขึ้น อ, อคําถามที่สองนะคะเวลาเราเสียสูญนะคะอาจารย์เรารู้ว่ามันเป็นโทษอย่างหนักอยู่แล้วแต่บางครั้งฟังธรรมของพระอาจารย์แล้วรู้สึกขำอะค่ะ ขำได้ไหมก็คือมันขำแล้วมันได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็ก็เสียเวลาเปล่าๆแต่ก็เป็นเรื่องปกติบางทีบางเรื่องพูดไปมันก็เกิดความขบขันขึ้นมาได้ก็ให้พิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังก็แล้วกันเกิดแล้วก็ดับไปอย่าไปยินดียินร้ายกับอารมณ์ที่มันปรากฏขึ้นมาแม้ไม่ขบขันก็ แม้จะขุดเครืองก็เหมือนกันให้คิดว่าเหมือนเป็นอารมณ์ที่ตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่าไปมีสัญญาอารมณ์กับมันอย่าไปดึงเอามาเอามาคิดอยู่เรื่อยๆเอามาทำให้เกิดอารมณ์ขุนมัวอยู่เรื่อยๆมันเป็นอดีตไปแล้วควรจะดึงใจเรากลับมาอยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว ร, รู้ต่อไปจามประสการณ์อาจารย์ค่ะ พอดีอดิฉันนั่งอยู่ปรากฏว่ดิฉันนั่งอยู่แล้วคันนี้มีเอ่ลมตรงเนี้ยเขาวิ่งตามตามตามลงมาเรื่อย ๆ, ๆตามร่างกายอะค่ะนี่คืออะไรอะค่ะคล้ายเป็นนิ่มๆเป็นนิ่มๆอะค่ะอะมันก็เป็นปรากฏการณ์อึ่งที่เรารับรู้ก็พิจารณาว่าเป็นตายรักเหมือนกันคื อ, อให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใจเราอยากไปมีตันหาความอยากกับมัน คืออย่าไปอยากให้มัน ين, หาย statute. หรืออยากจะให้มันอยู่มันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปมันจะหายก็ปล <go viendo> <spe>? ่อยมันหายไปแล้วใจของเราก็จะไม่ไม่มีปัญหากับมันเพราะเราอยู่ในโลกนี้มันก็มีสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาบางอย่างที่เรารู้บางอย่างที่เราไม่รู้อย่างที่เรารู้แล้วเราก็ไม่มีปัญหากับมันแต่อย่างที่เราไม่รู้ก็เหมือนกันก็ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันก็ไม่มีปัญหากับเราเหมือนกัน ตอนนี้มันก็หายไปแล้วไม่ใช่เลยหายไปแล้วค่ะอ่าแล้วยังแต่เราใจเรายังไปคิดถึงมันอยู่สงสัยออก็พระเจ้าบอกว่าอะไรปรากฏขึ้นให้เรารับรู้ทั้งขับไายนอกหรือทางภายในก็ให้รู้ว่าเป็นตายรักไปหมดหรื้ว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมันไปแล้วมันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันเพราะจะทําให้ใจเราไม่สงบ ถ้าเราปล่อยวางแล้วมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรอาเชิญถ้ามีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตก็ถามได้ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านนะคะคำถามแรกจากคุณจิตระดาดูลมอย่างเดียวทั้งลมเข้าลมออกคำอุบายที่ใช้เพื่อให้จิตจับนิ่งให้หลุดออกมาตรงกับลมพอดีเช่นคำพุทธ ตรงกันพอดีกับลมที่กําลังจะเข้าคําโทรตรงกันพอดีกับลมที่กําลังจะออกจะทําให้จิตสารวนอยู่กับลมจิตไม่สายส่งออกไปข้างนอกบ่อยครั้งอย่างนี้พอใช้ได้ไหมคะก็ดูที่ผลว่าจิตสงบหรือไม่สงบถ้าจิตสงบก็ใช้ได้ถ้าจิตไม่สงบก็ยังใช้ไม่ได้ก็ต้องทําต่อไปทําไปจนกว่ามันจะสงบ คำถามต่อไปจากคุณเออะคะลบการพิจารณากายควรทําอย่างไรนั่งสมาธิแล้วพิจารณาไปด้วยได้ไหมครับมันคิดเหมือนเราคิดฟุ้งซ่านไปเองไหมครับคือเราต้องทําความว่าใจก่อนว่าเวลาเรานั่งสมาธินี้เราต้องการนั่งเพื่ออะไรถ้าเราต้องการนั่งเพื่อความสงบเราก็ต้องไม่พิจารณาแล้วเราต้องการหยุดความคิดปรุงแต่ง การพิจารณานี้ต้องใช้การคิดปรุงแต่งอย่างนั้นถ้าเรานั่งสมาธิเพื่อความสงบคาว่าสมาธิก็แปลว่าสงบอย่างถ้านั่งสมาธิก็คือนั่งเพื่อให้มันสงบเราก็ต้องหยุดความคิดการจะหยุดความคิดเราก็ต้องมีอารมณ์ผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดเช่นพุทโธพุทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วความคิดมันก็จะค่อยอ่อนลงไปแล้วก็จะหมดไปแล้วใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบ เรียกว่าเป็นสมาธิขณะที่ใจสงบนิ่งอยู่เฉยๆไม่คิดไม่ปรุงแต่งก็ไม่ควรที่จะไปทำอะไรในตอนนั้นเพราะเป็นเวลาที่จิตใจได้พักผ่อนอย่างแท้จริงได้เติมพลังอย่างแท้จริงได้เติมอุเบกขาความวางเฉยได้อย่างแท้จริงก็ปล่อยให้เติมพลังนั้นไปจนกว่าจิตจะถอนออกมาพอถอนออกมาแล้วเริ่มคิดปรุงแต่งเวลานั้นถ้าอยากจะ พิจารณาเรื่องของร่างกายก็สามารถทําต่อได้จะทําต่อด้วยในขณะที่กําลังนั่งอยู่ก็ได้หรือถ้าอยากจะลุกขึ้นมาเดินจงกรมแล้วพิจารณาก็ได้เหมือนกันไม่สําคัญในเรื่องอิริยาบทเวลาที่เราจเจริญปัญญานอกจากว่าเวลาที่เราต้องการเข้าห้องสอบเช่นถ้าเราต้องการพิจารณาทุกขเวทนาเราก็ต้องนั่งให้ร่างกายมันเจ็บเพื่อเราจะได้พิจารณาเห็นทุกขเวทนา เราจะได้รู้จักวิธีปฏิบัติกรรมอย่างถูกต้องถ้าเราเพียงแต่จินตนาการถึงความเจ็บแต่เรายังไม่เจอความเจ็บนี่เราก็จะยังไม่รู้ว่าเราจะมีปัญญาที่จะเผชิญกับความเจ็บนั้นได้หรือเปล่าดัางนั้นถ้าเราอยากจะเจริญปัญญาที่เกี่ยวกับความเจ็บเราก็ต้องให้มีความเจ็บปรากฏขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการา น, า น, า น, นั่งนานๆให้ร่างกายเจ็บ หรือเดินทรงกลมนานๆให้มันเมื่อยก็ได้อันนี้เมื่อเกิดอาการเจ็บอาการเมื่อยก็พิจารณาดูว่าจิตจะรับมันได้หรือเปล่าปล่อยวางมันได้หรือเปล่าพิจารณามันให้เห็นว่ามันเป็นใจรักมันอนิจจทุกขังอนัตตาได้หรือเปล่าถ้าพิจารณาปล่อยวางได้มันก็จะไม่เดือดร้อนต่อไปกับความเจ็บร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ไม่ว่าจะเกิดจากการ กระทำหรือว่าเกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็จะเป็นอุเบกขาวางเฉยได้ใจจะไม่ทุกข์กับทุกขเวทนาอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพิจารณาเวทนาส่วนเรื่องการพิจารณาร่างกายนี้เราสามารถทําได้เวลาที่เรานั่งก็ได้เดินก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะพิจารณาว่าเราปล่อยวางร่างกายได้หรือเปล่าเราก็ต้องไปหาเหตุการณ์ที่มาแย่งร่างกายจากเราไป เช่นเสือผีมาแย่งร่างกายจะเอาชีวิตของเราไปเราจะปล่อยมันได้หรือเปล่าเอานั้นเราก็จะรู้ว่าเรามีปัญญาที่จะมามาปล่อยร่างกายได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราปล่อยได้เราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราจะตายหรือว่าเราจะถูกผีมาบีบคอมาทำร้ายเราแล้วเราก็ปล่อยวางอะไรจะเกิดก็เกิดยอมพิจารณายอมรับว่าร่างกายไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายจากเราไป ถ้ามันถึงเวลาจะต้องไปตอนนี้ก็ให้มันไปไม่ฝืนไม่วิ่งหนีไม่ต่อสู้ไม่ขัดขืนให้รู้ให้อยู่เฉยๆถ้าใจปล่อยวางแล้วใจจะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายอันนี้ก็เป็นการพิจารณาทางร่างกายฉันั้นการพิจารณานี้มีสองลักษณะเบื้องต้นก็เป็นการทำการบ้านก่อนคิดไปก่อนล่วงหน้าเตรียมสอนใจไว้ก่อนว่า ร่างกายนี้มันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายเล <c oughs> คิดไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ลืมและเพื่อทำใจรับกับเหตุการณ์จริงต่อมาเวลาเกิดความแก่เกิดความเจ็บความตายก็จะต้องพิจารณาปล่อยวางให้ได้ปล่อยว่าว่าร่างกายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นความจริงเราไม่ฝืนความจริงเราก็จะ ปล่อยวางได้ไม่ทุกข์กับมันถ้าเรายังหลงยังคิดว่าร่างกายเป็นของเราจะต้องอยู่กับเราต้องไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นอะไรพอมันเกิดขึ้นเราก็จะวุ่นวายใจขึ้นมาสแสดงว่าเราสอบตกถ้าใจเราสงบไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนสแสดงว่าเราผ่านคำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามนะคะ กราบขอเมตตาพระอาจารย์สอนวิธีทำใจเวลาคนที่เรารักเจ็บป่วยเป็นมะเร็งใกล้าตายด้วยค่ะก็เช่นเดียวกับเวลาที่เราพิจารณาร่างกายว่าทุกคนร่างกายของทุกคนเหมือนกันเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันไม่มีใครร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้เมื่อถึงเวลาของเขาก็ต้องถือว่าเป็นวิบากของเขาพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน จะทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นวิบากของเขามาถึงแล้วอดีตเขาเคยทำทาทาบาปทำอะไรมาพอถึงปัจจุบันผลมันก็ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ไม่มีใครไปเปลี่ยนมันได้ยับยั้งมันได้เพราะมันเป็นอนัตตาให้พิจารณาลงไปที่ตายรักษเสมอคำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามมานะคะ ทำทานกับพระอาหารหันมาตลอด24ปีหลวงตาบอกว่าทานช่วยให้รอดตายแต่มีปัญหาทางการเงินมากมีคนลบกวนตลอดอานิสงของทานจะส่งผลในชาตินี้บ้างไหมคะก็มีส่วนแต่ผลในอดีตมันอาจจะแรงกว่ามันก็เลยทำให้ผลในปัจจุบันนี้มันสู้ไม่ไหว ถ้าเราทำทาบาปมามากในอดีตผลในปัจจุบันมันแรงกว่าบุญที่เราทำในปัจจุบันบุญที่เราทำมันยังอาจจะน้อยยังไม่มากเท่ากับบาปที่เราทำในอดีตมันก็เลยยังมีผลที่ไม่น่าปรารถนาปรากฏให้เรารับรู้แต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆอนาคตข้างหน้ามันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆวิบากกรรมที่เราทำไว้มันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ แล้วต่อไปมันก็จะมีแต่ผลดีเป็นส่วนใหญ่หมดคาถามจากทางบ้านค่ะหลวงพ่อทางอาเม่ใครอยากจะถามถามต่อครับเราจะคู่ได้ฟังพระอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเราต้องปีกวิเวกครับทีนี้ว่าถ้าเกิดเราทําธุรกิจแล้วก็มีบริวารมากมายเนี่ยนะครับเราจะมีวิธียังไงที่ว่าทำธุรกิจไปด้วยแล้วปีกวิเวกได้ด้วยอะครับ เราก็ตั้งใครมาทําหน้าที่แทนเราหน่อยจะจ้จางผู้จัดการมาสักคนหนึ่งยอมเสียค่าใช้จ่ายหน่อยเพื่อเราจะได้มีเวลาไปเปรียกวิเวกได้เราคิดถ้าเราคิดว่าตายไปเราก็เอาสมบัติไปไม่ได้ดังนั้นเรายอมเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกสักเล็กน้อยเพื่อแลกกับเวลามีค่าของเราเพื่อที่เราจะได้ไปทําภารกิจที่สําคัญกว่าภารกิจที่เรากําลังทําอยู่ในปัจจุบัน ภารกิจของเราในปัจจุบันนี้มันเป็นของชั่วคราวตายไปมันก็หมดแต่ภารกิจที่เราจะไปเปรีกวิเวกนี้มันเป็นของถาวรมันจะติดไปกับเราต่อไปให้เราช่างน้ำหนักว่าอันไหนมีความสำคัญต่อกันบริษัทเราก็ยังให้ปล่อยดำเนินการได้ด้วยการจ้างคนมาทำหน้าที่แทนเราไปเพื่อเราจะได้มีเวลาไปเปรีกวิเวกได้ โดยท่านดีก็ยกให้ภรรยาไปเลยภรรยาจะมาปิดเวกด้วยครับก็ขายบริศั์ไปเลยต้องดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างสะหราชจะสมบัติใช่ไหมถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าจะเป็นราชถ้าจะเป็นพระราชกุกมารด้วยแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าด้วยก็คงจะเป็นไปไม่ได้เราต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง คถามข้อที่สองนะครับบางทีเวลาจะสอนลูกหลานนี่แรงต่างหรือว่าพนักงานเนี่ยครับปกติปัจจุบันจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดหรือว่านารกสวรรค์มีจริงหรือเปล่านี่ครับเราจะบอกเขาได้ไงได้บ้างครับคือเราต้องรู้ว่าคนที่ยังไม่เห็นนรกเห็นสวรรค์นี่ก็เป็นเหมือนคนตาบอดคนจะสอนคนตาบอดอย่างไ ร, รว่าสีแดงเป็นยังไงสีเขียวเป็นยังไง คนก็เพียงแต่บอกเขาเท่านั้นเองแต่ก็รู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เขาก็มีทางเลือกอยู่สองทางว่าจะเชื่อคนตาดีหรือไม่เชื่อคนตาดีถ้าเขาไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้ถ้าเขาเชื่อเขาก็จะมีมีโอกาสที่จะลืมตาได้เพราะการเชื่อพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เชื่อแบบงมงายคือเชื่อให้ไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วหูตาก็จะสว่างขึ้นมา แล้วก็จะเห็นนรกสวรรค์เองนะครับกรรมการครับการบรรยายพระอาจารย์ครับเรียนถามเรื่องการพิจารณาครับผมเมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่าการพิจารณากายแต่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งปุ๊บเนี่ยจิตเราไม่สงบด้วยเรื่องของโลกด้วยเรื่องของหน้าที่การงานเราเรื่องพวกนั้นมาพิจารณาได้ไหมครับก็ต้องพิจารณาเพื่อปล่อยวางมันเพื่อปล่อยวางเรื่องงานเรื่องการว่ามันก็เป็นตายลักมันก็เป็นของไม่เที่ยง ในที่สุดมันก็ต้องเสื่อมหมดไปเพราะฉะนั้นถ้าเรากังวลห่วงเสียดายอะไรแล้วพอเราเห็นว่ามันไปนตายรักเราก็จะปล่อยมันได้ครับผมไม่ไม่ไม่ถือว่าเป็นการจิตส่งออกหรือว่าไม่ถือเป็นการฟูงซ่าใช่ไหมเป็นการเด้งจิตที่ส่งออกให้กลับเข้าข้างในเป็นการไปตัดจิตที่กําลังติดผูกพันอยู่กับเครื่องภายนอกให้มันเข้ามาข้างในคถ้าเห็นเรื่องภายนอกว่าเป็นตายรักมันก็จะปล่อยวาง แล้วมันก็จะกลับเข้าข้างในได้ครับขอบคุณครับการน้อมสักการะครับน้อมกราบหลวงพ่อครูบาอาจารย์เจ้าค่ะลูกมีการมีจะสอบถามเรื่องผลของการปฏิบัติเจ้าค่ะอ่านั่งสมาธิอยู่ครั้งหนึ่งอะค่ะมันมันเกิดทุกขเวทนาคือปวดปวดตามขาเจ้าค่ะแล้วทีนี้พอปวดมากๆก็เลยบอกว่าปวดให้ตายไปเลยพอพอเพ่งเข้าไปมากๆมันจะรู้ว่ามันปวดอยู่ตรงแค่ความรู้สึกเองมันไม่ได้ปวดที่ขาเจ้าค่ะ แล้วทีนี้ไอ้ครั้งต่อมาเนี่ยฟังธรรมะขณะขับรถกลับจากชนบุรีเนี่ยค่ะพอฟังธรรมะไปมันเหมือนกับจิตมันเดินตามเสียงธรรมกระแสธรรมพอขับขับไปแล้วมือขาที่ขับรถเนี่ยค่ะมันมันไม่สั่งการมันไม่มันทํางานไม่สอดคล้องกันก็คือมันหยุดไปเลยเจ้าค่ะแล้วทีนี้ก็เลยต้องต้องต้องเช็กก่อนว่าอันนี้นิโป้งนะอันนี้ขาตรงนี้อันนี้เบรกตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่า ออ่าตัวตัวรู้กับร่างกายเนี่ยมันเป็นคนละอย่างกันไปเลยค่ะเจ้าพราะตอนนั้นจิตมันปล่อยวางร่างกายปล่อยวางการกระทํามันก็เลยไม่มีการประสานงานกันฉะนั้นก็ต้องระวังเวลาขับรถขับลาไม่ควรที่จะทําอย่างอื่น ค, ควรจะมีสติอยู่ว่าการขับรถเป็นหลักเจ้าค่ ะ, <น>ะพอตอนหลังก็คือเวลาขับรถก็ไม่กล้าฟังธรรมะายาวๆเลยเจ้าค่ะอย่างนี้ผลของการปฏิบัติของลูก พอที่จะเริ่มก้าวบ้างหรือยังเจา้าคะหลวงพ่อก็ดีแสดงว่าเราฟังธรรมได้ผลแต่เราควรจะฟังธรรมด้วยการนั่งเฉยเฉยเช่นเวลาก่อนจะเราเราจะนั่งสมาธิเราก็นั่งแล้วเปิดฟังธรรมไปก็ <c oughs> ได้ห <c oughs> รือเวลาอื่นก็ได้เวลาที่เราไม่มีภารกิจที่จะต้องทํางานการอะไรต่างๆช <c oughs> เราก็เปิดธรรมฟังไปลูกชอบฟังธรรมเจา้าค่ะหลวงพออ่อเวลาฟังธรรมนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเข้าไปอยู่ในโลกส่วนตัวของเราเลย ใด้ธรรมะจะดึงใจให้เข้าข้างหนได้เจ้าค่ะก็กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะอืมปัญหาหมดได้ใช่ไหมอ่าก็เวลาก็คิดว่าพอสมควรก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ